สิขิตังปัจิตังตุมหังกิตามิวาสุวิเกตุสัตติปุโรหตสังขภาพังโทปนาราสยา a ามนิจโฌตรโสยาธาสัตติปิโยวัจฉันตุสัตตรโอภวินัสสัตุมะทิเบตันทายุจุขีทิทายุโกวะวัตติวะตมัสสิสัตังวะภาปัจายโม เจตารธรรมาวัดทันติอายุวันโนสุขังตระนกายะกันวากีกรรมโนกันทำอันไดที่พวกท่านทั้งหลายประมาทรุ่งค่าพรเจ้าได้เลยกายก็ดีด้วยวิชาก็ดีด้วยจิตใจก็ดีที่ระลึกได้ก็ดีระึกไม่ได้ก็ดีผมขอโศกกรรมนั่นเสียสินโ่อที่กรรมทางไหน ทั้งหลายเราเน้นแกปพท่านทั้งหลายกายย่อว่ากีกำ ม, มนกมมนันอมันใดที่ข้าพระเจ้าเริ่มนาตัดทั้งพระท่านทั้งหลายเล่าบอกกายคดีด้วยวัยชา็ดีด้วยจิตใจ็ดีข้า่นทั้งหลายฉัอโหสืกรรมนั้นเสี ย, สยเขโซ่แยกให้เป็นมาเป็นกรรซึ่งกรรมกับกกายยอกว่ากีกำมนกันกรมยยกร ม, ร ม, ม น, รม น, มนใดที่พระท่านทั้งหลายได้บันเทียมมนมาแล้ว จึงที่เป็นบุญเป็นกุศลของพระอมรธรมอนุโมธนาภิสุลธรรมร้ายเหล่านั้นแก่ปัันทั้งหลายด้วยกายกรรมว่ายีกรรมกันบันไดที่้าพเจ้าได้ปฏิร่ายปฏิบัติทีได้กระจายไใจคิดข อ, อคิดสอนกุศลทรรมรายเหล่านั้นแก่ปัจจุบันธร้าย ด้วทการมักนีผมที่สุดนี้ขออ้อเสนทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจนเป็นผู้สรางสวาสวยในวโรรพตระกาสสนะานทรภารันานลทีอมาประชุมกันวันนี้มีความหมายหลายอย่างเพื่อเ้าทั้งหลายทั้งคณะสูง เ yes. นี่ยญาติโมทั้งหลายที่เลื่อมใจกันประพฤติปฏิบัติสืบพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาหลายปีแต่แเราต้องย้อนกลับไปทางหลังจะก็วัดประพง์นประมาณยี่สิบกว่าปียี่สิบหกปีเราซึ่งเคลื่อนมาจากทางเหนือโดยก็มีพระเจ้าประสงค์มาก่าไร มาถึงวันนี้จะมาต้องการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ด้วยความตั้งหกวตั้งใจอแรกก็มีพระประมาณจค่สี่ห้าองค์ได้รับควาลำบากสารพัดอย่างซึ่งมาถึงมาได้เป็นประธานสง์มาตลอดเวลามีที่จะมองเห็นได้เป็นพัญญาคนคือท่า น, นอาจารย์เที่ยงอาจารย์จันทร์อาจารย์ที่นวลอันนี้เป็นผู้ติดตามมาแล้วพอมาพร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติ จับมือกันปฏิบัติเพราะเห็นว่าพคตรเราึ่งเป็นพุทธบริษัทนี้มองดูแลมันย่อห ย, ย่อนในการบอกคือปฏิบัติจนไปมองไปว่ามองก็ไปในวัดจะเห็นแต่กติเห็นแต่โบสถ์เห็นแต่วัดวาอารามเห็นแต่ละแต่เรื่องที่เป็นหนัวใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนั่นมันจะไม่มีอาตมาเคยเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆเรื่องนี้ เป็นอีกสรุปใจมากไม่รู้ว่าจะไปบอกกับใครขั้งแรกก็อัตมานะนะ่ะเนีะเดินออกไปองเดียวไม่ใชองเดียวไปก็ขัข้นมหาสวรรค์ที่เรียกว่ามหาสาตอนน้อยอนท่านยังไม่เป็นป ร, ริยนเป็นมหาสาพอเดียวหนังสือไปหนังสือไปรู้สึกจะต้องโอสานี่ก็แปลว่ามหมาโดยมาเปลีย่ยนเป็นมหาสวรรค์ทั้นก็อปฏิบัติครึ่งต่างๆ ค่อนข้างที่หนักไปในการศึกษาเราเรียนมากตอนนี้ก็สง่งท่านเข้าไปกรุงเทพประมหานครทุกวันนี้ก็อยู่วัดละคังบอกว่ามันแยกไปคนในทางท่านแยกไปในด้านดาริย์อัตมาก็แยกในด้านปฏิบัติแยกกันช่งท่านเข้าไปกรุงเทพอัตมาก็อป่าท่านก็ดันอกนำใจศึกษาเราเรียนมาเลื่นไปได้ถึงแปดประโยค ดอกประโยคเก่าไม่ได้ท่านภพมาเรียนอภิธรรมจนไว้อภิธรรมบัณฑิตอยู่ในวัดระฆังเป็นยานในอภิธรรมท่านก็ยังสอบมาเรื่อยๆมาจนปีที่แล้วมานั่ยก็สอบประโยชน์าได้เนท่านเรียกว่าในการศึกษาเล้วเรียนของท่านนั้นเนียกว่าเสร็จไปแนละ้วมีใบประกาศมีใบประกาศเสียบัตรมียี่ห้อแต่ตามานี่ไม่มีอะไรแล้ว ไม่มียี่ห้ออืนักเรียนนอกแบบครับคิดไปทำไปคิดไปทำไปเรื่อยมาก็เลยไม่มียี่ห้อกับเขากลับมาจะมีพระธรรมดาเราศึกษาเราเรียนใน น, น้นก็ตั้งใจปฏิบัติพอที่มาถึงรัตนตรงนี้ก็มีญาติโยมแม่นิมนต์ ม, มาก็เลยมานีิอาศัยเพราเราก็ท่านเป็นอุปการะมาตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบแทนบุญคุณของท่าน ในพระบมาอยู่ที่วัดนวตรงนี้นวโคนี้สมัยนั้นอาตมาเป็นเด็กได้ยินโยมพ่อเราในฟังอาจารย์เสาวอาจารย์เสาวเนี่ยท่านมาพักอยู่ที่นี่โยมก็เคยได้มาฟังธรรมกับท่านอาตมาเป็นเด็กยังจำได้ไอ้ความจําเช่นนี้มันติดอยู่ในใจตลอดเวลานึกอยู่เสมอเลยนึกอยู่เสมอเพราว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านร้าง ดูต้วมาม่วงใหญ่ๆของเก่าแก่ใช่เนมประทังที่ว่าท่านโยนพ่อเฟร่าปทางไหนโยมพ่ออัตมาหนึ่งก็ไม่เคยได้บวชไม่เคยได้ศึกษาไม่กราบพระกรรมฐานมาดูท่านชันอย่างนั้นก็อ า, า, าหารอะไรอะไระไรวมกั่ในบาททั้งนั้นอ้าวรวมกในบาทแง่ไหรวมไปในบาทหวานข้าวใส่ในบาทเ น, น า, า, นน า, านยนพ่อไ่ เ, เห็นนีอันนี้พะอะไรอืมเนี่ยเราไปเล่าใ้ฟ จะมาเป็นเด็กๆเขาไม่รั้พรรมฐานเทพก็เหนเหมือนพระธรรมนาลอยากจะได้ฟังเทพก็ไม่ได้ังมีเด็กพูดไปโตงโตงโตงโดยทังวไปโตงไม่ไดกฟังเแต่ไดยินได้ฟังเ็พูดท่านนั่นทราบปฏิบัติมาอาศัยอยู่นี้เมื่ออราพุดปฏิบัติเมื่อเความรู้สึกนี้มันมีอยู่ในใจเวดาเมื่อกันหน้ากำมาทางบ้านก้มน่ถึง่าหนี่เด็กนี้เด็ขาม เมื่อไปสุดพอสมควรแล้วก็กลับมามานี่นี่มาที่นี่มาพักอยู่ในป่าระยะหนึ่งทาาา่านอาจารย์ดีท่านท่าจ้าคุณผีอยุบรินีเจ้คุณทุกขุนชมหาปุษเนี่ยมีงินอยู่ที่ว่าอยากจะอยู่ดกันที่นี่แต่ท่านะท่านอยู่ไม่ได้ท่านอาจารย์ดีผีอยู่พี่บุญมือสหารอยู่นี่ขมาท่านบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราท่านบอกประชาชนทั้งหลาย ตั้งแต่คุณชินยังพูดเสมอเลยเ น, นี่ที่นี่เอาอยู่ไม่ได้ไม่ใช้ที่อยู่ของเราแต่สองที่อยู่นี่ไม่นานเนี่ยท่านก็มา ข, งขังท่านพอดีระยะมันมาประมาณสามปีอาจามาก็ได้ลงมาอยู่ที่นี่ป่านี้เป็นป่าที่เรียกว่าตร้ายที่สุดทะะําอะไรๆยากต้นไม้พ่กมี้ร้ายสีต้นอยู่ในเนี่ยชาวบ้านพุ่งมันบกเนี่ยทำไร่กันปีมันตายกันไปเจ้ามามายังไม่ใครไม่ใครเอาหละ ไอ้พ ก, กมันสัตว์หลังมันแอนะก่ะมันมานี่เยอะตามเนี้ยไม่กล้ามาเอาตายตามแต่ว่าทางเพราะนั้นป่านี้ยังเหลืออยู่เยอะมากสมัยก่อนจะทายบาด ต, ต่อมาห้าบาท ต, ต่อมาหนี้ต้องไม่มีที่วาง่ะต้องโยมอวี้ตัดซะก่อนจึงมีที่วางบาด ต, ตรงนีน้นี่ว่าเป็นป่าที่ไม่มีประชาชนเข้ามาเลยกลัวมากตรงนี้นี่ก็ามาอยู่นี่เลยมามาทำอย่างเนี้ย ไม่มีใครรู้เรื่องในการตะพุศลปฏิบัติทนี่ไม่มีใครรู้เรื่องอัตมาก็อยู่ไปตามรุ่นมีเรื่อยไปไม่อยู่สักปีหนึ่งสองปีอะไรปีเดียวกันนี้มีก็ต้องฝากตามมาังไว้ด้วยตอนีคุณท่านเที่ยงก็เรียนตามลงมาก็เรนมาจาัดกลุ่มกันเที่ยงมาที่นวลมาจันมาเดนมาบุกไปนี้ไป่านี้ดูยางสมดกันไหมก่อนนั้นเป็นไข้ แทบจะตายสุกองไม่เคยไปรูมพยาบาลเนี่ยตรงนี้ณตอนก็มีที่พึ่งอาศัยแล้วอาศัยบารมีคำของพระพุทธเจ้าของเรานัเนี่ยนี่ก็คือเงีเงียบไม่มีใครพระเป็นใข้มีแต่เสียงตัวเรานงเงียบเงียบเงียบเงีย้มีเมองหนึ่งป่วยนู่นมันอยู่ห่างกันก็ดีนี่นไม่รู้เลยก็อีกคนเดียวในป่านี่เน่ย ประมาณสามคนเนี่ยเดินมาหาวิ่งตุบๆมหากลัวตายกลัวๆจะตายนคนเดียวอาตมาบอกว่าอย่างเงี้ยมันดีแล้วตอนไหนคนไข้ามาคนไม่ไข้ดูที่เราไมนเป็นไข้จใจคนไปไข้ดูคนไข้นี้ไม่ได้แล้วเพื่อจะมีอะไรมากตรงไหนนั้นจนะมยียาแลเพื่อยาไม่มีหล้วต้มประเทศฉันเป็นพืน้นตอนย็นมาบรรลกว่าต้นต้มน้ำร้าน ไม่ต้องคิดมากเลคนทั้งวัดตตัวต้บมบาระเซต์แบบนี้เนี่ยอยู่อย่งนั้นในหลวงขอใครอะไรใครอยู่เย่างนั้นมเป็นใครมากๆแต่มากปไม่กลัวจะไปกลัวมันเลยถ้าตายผมเผาอีกเผานี่วัดนี่นะไม่ไปที่ไหนคูจะมีใจเข็งแกร่ขึ้นมาเนะือ mm. กลัวกันนี่ปวดปดอยากอยากดาติโยมทางหลายไม่เคยรู้จักถ้าหากเอาปลามา ถวายาาก็เอาไปได้าไม่เกียเกียรดูมองดูตรงๆฉันไม่ได้อยวันนั้นแหละหลังจากอย่างนี้เนี่ยก็ยังมีประญาอยู่ตั ว, ว น, นี้น้ำบากามากแต่ว่าการปฏิบัติในรุ่นนั้นยังมีเหลืออยู่จะเป็นตั้งขาดิการอยู่ในสมัยนี้ก็เรื่องเจระในรุ่นนั้นรุ่นเก่าๆเารุ่องทันเพียงจันจันชินนนอยู่อย่างนี้ จะปฏิบัติกันมาไดมาจะรูอกอกพัรษายนี้ก็เรียกทุเรียน่วัดเลยนั่งสมาีิกันในวัดในร่มไม้อยู่ยักเมี่อเราจะออกมาเทศกันเทศเราจะนั่งสมาธิต่อในประเทศเข้าในตลาวเข้าโอกาสเดินจงกรมมุนเย็นกันอยู่ทั้งตลอดจะดูแล ในต่างโลกไปบนมาที่ไหนที่มันก็เป็นป่าแหละถือโถงประวัติครบตำอยู่ตรงนี้ อ, อืที่นี่พระรุ่นนั้นยังเหลืออยู่ตุ่นเก่าเรียกว่าเป็นข้าที่ดทนมาสำคัญมากที่สุดได้เห็นต้นเห็นปลายมาด้ยวยกันอืจะนองไปทางหน้าข้างหลังว่ารูเรื่องกันพอสอมควรอาจารย์อาจารย์เลีเ้ยงเจ็ดปนีนอนเจ็ดปีมึงเทียเท่ยงรู้ว่าเหอะไรกุญมนุษ เออม่ออยู่นี่สี่ปีสี่ปีก็อาจจะตั้งแวะมันก็น้อยอาจะมาไปกันทร์ภาษานเนอะเห็นว่าทันเที่ยงเน่ยตระกูลลูกหลานน่อยอยู่บางตรงกลางแล้วก็คิดในในใจเราควรจะให้ทันเที่ยงมาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนั้นแวะก็ น, น้อยถึงตั้งเกิดเป็นมาระยะนั้นก็เรียกว่าเราคาดไม่ถึงอะไรละ่ะที่ตอนเป็นมาของโภระทางดายนั้นไม่ไม่รู้ว่าจะพูดกับใครฟังมันเรื่องปฏิบัติเนี่ย มันเข้มแข็งมากสมัยนั้นเนี่ะกาโอดการทนยกเป็นที่หนึ่งเลยไมมีใครบน่นทางข้าวเปล่าก็ไม่มีใครบน่นอร่อยไม่อร่อยเงียบบรอดเวสก็ต้มชันมาเรื่อยเรื่อยมาต้มคือตอนที่มาจากอายุธยาเดี๋ชันกาแฟนะเขาถวายกาแฟกันมาจากอายุธยามาต้มฉั้นยนืนที่นี้แต่ฉันกาแฟปเปล่าแล้วไม่มีน้าตาล มาต้มเลยกว่าชันกันมีเดียกว่าชั้นกาแฟแต่แท้ไม่ต้องมีน้าตาลไม่มีไข่บุญนะส่งกันตายรับชั้นกาแฟนําตาลไม่รู้ไปจะไปขอที่ไหนนะเราเป็นที่คนอื่นเขาเลี้ยงทำมันเป็นคนเลียงง่ายอะไรก็อดทนกันอยู่นี่ด้วยอย่างเนี้แต่มาจะนึกขันเลยนึกด้วยชั้นกาแฟก็รว่าครั้งแรกตายง่ายกก็ไม่ก็จะมีอะไรนะมีโยมพุ่ง ย่อพวกแม่แดงเนยามาบวชที่นี่กัรจะกลมปโนสเนี่ยมาบวชพอพอพวงแม่แดงเข้ามาในวัดนี้ไม่เคยอดเคยอยากการอยู่การกินการขบการฉันปฏิบัติุลาอาจารย์อยู่ในมุมอุบสเนี่ยตาามวัดที่ดูร้านนมาบวชนี่พอมาบวชเครียตามามากเครียรนมมามาก ว่าไป อ, อยู่ในป่าเป็นสมถานตอนเช้าม า, าต้องต่องลูกคนไปดึกๆชงกาแฟนมจะได้ชฉันเนี่ยต้องใกันนะเอามาใสาก่กรติเต้ตนเลยพอสมาึงเมื่อไปนิมนตด้วยตอนเช้ามาทำบัตสะดิบไปพิธบาทได้จะชงกาแฟยังไงล่ะนุ่็ไปด้เลือใส่รังไงรังไม่ในฉันเนี่ยที่มี น, นั่นเนี พอขวั่งเดินไปเดินมาไม่มีใครทำเถียเลยจะทำเองไม่ได้กัรเป็นคนที่คนในดวงครัวนี่เมา่เห็นพระธาตของวัดมาเห็นพระธาตของการบติปฏิบัติท่ากรรมฐานนั้นกระโดดใจมากมีคนแก่คนนี้เป็นเป็นหลักสำคัญนั่นหนึ่งปีนั้นเกิดศึกออกไปสมควรเนี่ยบวชในประจึตไปก็พะละ ยังไม่เสร็จตั้งแต่ปีนั้นน่ะนังแข็งร่วมกัมาในวัดถ้าเห็นนังแข็งเห็นน้าตาลท่านพูดว่าเมื่อเด็กๆเดี๋ยวนี่เนี่แดงยังอยู่เดี๋ยวนี้นอยู่กรุงเทพถ้าพูดถึงเดี๋ยวมีรักให้คนไม่ก็เห็นว่ารปฏิบัติในเรื่องชั้นกับชันนมืเดียวไม่รู้ว่ามันเจริญหรือว่ามันเสื่อมคนไม่รู้สมัยนั้นมันใหม่การอบรมนี้ก็คาบิตบาดมาเดี๋ยวจะค้นใส่ให้ เขาห่อให้นําพิษแก่หอให้นั่นเนี่ยเป็นในบาทเข้ามาแล้วก็แบ่งกันชั้ น, นเน่ยถ้าไบเตมามนทิ้งแล้วเด็กชั้นจะในบาทนั้นนะี่อะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่ต้องพูดถึงอะไรไม่อะไรไม่ต้องพูดถึงมันมอมเอาอิ่มั่งพอกันเท่า น, นั้นง่ายที่สุดพ่อไอ้บิ่มก็ไม่นีอ่ะไม่มีใครตอนเย็นมาแล้วก็เข้าไปในในกติของเราแม้สุนัขมันก็ยังอยู่ไปได้ ตานชา้ามันมานี่มันจะนอนไปได้ น, นู่นตะกี้รังนุ่งยูนหลายเส้นพอตอนเย็นมาพระตามจิตตามแดดท่านก็เข้าไปกติขคนท่านเดินก็ไปนู่นในปา่าโอ้หนั้นก็เดินไป น, นู่นไอ้ชุนักมันก็ครัวไม่มีที่อยู่นะแต่ตะ่ี้ไปตามองนู่นก็ขึ้นในกตินะตามไปองนู่นอีกก็เข้าในกติจะได้หมดที่ไีหิวชุนักอยู่ไม่ได้แล้วก็มาคิดเป็นกรรมฐานมั่งแหมเหล่านี้มันก็ เ, กเลือยงเพื่อนไง ชั่นนักนันก็อยู่ไม่ได้คนเราอยู่กันได้สำรวจชัเ้เลียดเหมือนกันนี่เป้าเนื้อวัสดุการเก็บไข่ดีโอโ้โหนี่เราหนีวน่ายังไงแล้วน่าตายทุกคนนั่นแกว่ามันเดือจ่ายมาอาหารการโขการฉานนี่ไปเนี่ย ว, ว่าแล้วนอนนอนนองนนอนถึงสภาพทุกวันนี้ก็ย้อนดูไปข้างหลังเนี่ยมันไกลที่เกิน มันไกลมากแต่ก่อนถ้วยจานไม่มีนักชานนักนะทิ้งเอาไปจองวันทิ้งหนึ่งไปแล้วทุกวันนี้ต้องเพลิดไม่ได้ในทุกวันนี้คนกินทั้งร้อยคนคนล่างสักห้าคนบางทีคนล่างถ้วยไม่ได้ทานฟังคำเลยเอาเงิน เ, ยเลยเกิดความยุ่งขึ้นมาหละเดเกือดนี่างนี้จะไม่รู้จะทํายังไงอืมันเป็นไปอย่างนี้อันนี้เรื่องเจตปัญญาเท้าใครเจตใจนาเอา มันไม่หยุดแน่คนที่ผลเขก็ผลมาเลยอย่างนี้นะอืมเลยเป็นเหตุจนพระเนียนติดกลิ่นรสมากที่สุดอย่างนี้อืัตมาแอบฟบังโมกันเทีย่ยวไปตุลงไปตะลุงเงาะแรกแอบแบบก็ฟังเงินแม่ที่นั่นอาหารดีเดินเพลินไว้ไปทางทะเลฝับใต้ใหม่ไปฉันพุ้งกันไปฉันปลาทะเลกันพูดเป็นคำนองนี้ ชอบเป็นไปยังไนแต่เนี่ยมันติดง่ายนี่เพนไหมตใจไปร่วมละลายไปในส่วนนั้นมากที่สุดอย่างโรคเสียงปิมรถโหตปะธรรมารมณ์การประพฤติปฏิบัติมันก็ยากอืมครูบาอาจารย์สอนให้เข้าแบบเข้าแนวมันก็เดี๋ยวยากมันติดบรคแล้วมือนกันกับสุนัขเอาข้าวเปล่าไปกินทุกวันทุกวันมันก็อ้วนอย่างหมูแต่อีกวันหนึ่งเอาแกงราดข้าวมันกินที่ เอาสักสองจานเทน่า น, น, นั้นเนี่ยวันหนังเอาข้าวระเกียบไอ้มันกินอยู่ถึงไม่กินเนี่ยเนี่ยมัติดเดียวแล้วเกิอนอย่างเงี้ยรูเขียงดินลถนี่นกนินเป็นเครื่องทํารายการประพฤติปฏิบัติเราถ้าหากว่าเราทุกคนไม่รับการพิจารณาปัจจัยสี่จีวรยินตบบาบดเสนาสนะเสสัตย์ถงใต้ ไ, ไมไหวนะพุทธศาสนานี้ดู้ที่ว่ายิ่งมันเจริญขึ้นเท่าไหรนะ่ ยิ่งโรคมันจเจริญขึ้นเท่าไหร่ให้ความรุ่มโรวงของมนุษย์จักว์ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นแคอย่างนี้มานานยแก้ไม่ไหวป่อยไปตามเรื่องมันเฉะนั้นอาตมาจึงบอกว่ามองเข้ามาในวัดมันจะเห็นพระมละจะเห็นกติเห็นโบุตรศาสนาไม่มีไม่เห็นถ้าศาสนาไม่เสื่อมในเดือนร้อนอย่างนี้ก็เกิง่ายๆนั่นเอง ศาสนาคือคำสอนที่ตรงไปตรงมานั่นให้คนมีความซื่อสัตย์สุจริตเมตตาต่อกันนั้นมันไม่มีมันแวมมันจึงความแปรร้อนมันที่เกิดขึ้นมามีด้วยเอาตรงนี้ก็ได้ผู้อาวที่ออกไปแล้วก็เรียกว่ายังขยันมันเพียนอยู่ตลอดแต่รู้สึกมาในระยะ20กว่าปีมันหย่อนลงมันย่อนอืม ไม่กล้าจะทำปฏิบัติไม่กล้าไม่กล้าทำไม่กล้าทำให้มันมากรลัวกลัวมันจะเป็นอาจา ย, ยิรามฐานโยกกลัวมันสมัยนั้นยังเอากันอยู่เนี่ยบางทีก็อดอาหารคนละห้าวันหกวันเก็วันได้ตัดทรมานคือดูจิตของเจ้าของนั่นอนะ่ะทามันดืด้อเลต้องเคี่ยนมันอืมอะ แต่มันรู้แต่ต้องเขียนมันเพราะกายกับจิตนี่มันเป็นคู่กันเนี่ยที่เรายังไม่เป็ีนมีถ้ากายมาันอ้วนใจมันก็พเทิบขึ้นเท่านั้นเนี่ยไฟรุกขึ้นลมมันก็มาเท่านั้นเนี่ยก็ไม่บ้านเท่านั้นเนี่ยมันเป็นไปในตอนทตอนนอง น, นั้นแค่กรองเที่ยวไปกินน้อยนอนน้อยเข้าใจเข้าใจอย่นี้ชัดในถูกใจผู้ปฏิบัติแล้ว เรากปหามาเองนรในทางวันในสุดจะไปอดมันทาไมเนี่ย ม, มันเป็นอัตตากิรมถามนิโยโคจะเนะ้ไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าเราพูดคำเดียวแต่คนทางวัดเชื่ออื้มันหิวหนิจะว่ายางไงอีมันเป็นไปในทำหนองนี้แกแกรื่อไปรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นพวกเราจางใดจะต้ง ม, มีใจเข้มแข็งขึ้นมาวันนี้ถึงมีพระหลายสขาจะก็ไม่หมดทกสาขาจะมารวมกันอาจารย์สีในมหาอ่อนก็อาจารย์สีใเที่ยงนเมกเรืงเองนิดอ่อท่านอาจารย์สแสงนาสําราณนับสนญ่ย ที่มารวมกันวันนี้เพื่อจะเตรียมตัวมาคารวะในถายหน้าที่นับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นสาธรมิกเดวยกันในเมตต์นำ ส, สอนในประพฤติปฏิบัติการคารพการคารวะนี้นะมันเป็นธรรมันยิ่งถึงแม้เรายังไงก็ฆ่ากันไม่ได้มันมีความเคารวอยู่การคารพคาวะในครูบาอาจารย์ในอุปชายวัดอาจารียาวัด ในิตการกระทำเนี่ยมีเจริญรุ่งเรืองท่านดีใจมาเป็นมงคนตายในื่อตัณหาเนี่ยนะต่อตัณษาเรารีบหนีเลยนี่แหละมันขัดไอ้ปฏิบัติจริงที่มันขัดขัดนั่นต้องพยายามไอ้มันเป็นจริงเป็นจังแต่กมันรู้จักที่ดีมันอือยู่ที่มันนี่การประปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นการปฏิบัติดีได้เกินแค่จริงอืมนะ สมาธิกรเนี่ยโอ้ยมันยากนะมันมีขั้ให้ผ่านมันยา ก, ยากนะพูดกันแรกอย่างที่ว่าปฏิบัติมาให้มันเป็นคนหนึ่งไปให้มันตายจากคนมันเป็นปพระเอาเถอะตายต่อถ้าทมวินัยนี่ก็ดูเมืนอนอายฆาระนีนวังตักน้ำปวดวั ด, วดในยิมเพรียงกะดังคาคาค า, าล่างบาทเงียบสุวรรณีจง ทุกวันเนี่ยบางวันตัต้องใช้คนก็ไปห้ามแล้วพระท่านทําอะไรกันตรงนั้นอ่ะท่านพกกันยังไงก็มาดูอีห้าอีห้ายังไงตอนตรงไปห้ามคุยกันอืคุยกันไม่รู้ว่าเอาเรื่องอะไรมาคุยคือมันอิ่มแล้วมันประม่ามันเป็นสุขใช่ไหนก็ทั่งบอกว่าบินกระบะมาแล้วนี่ยจะพึ่งพูดกันอไหอทําไมไม่พูดกันพูดไม่ได้เราคุยไม่ค่อยดี เยอะไร่ือน่าโต้วาไกันอะไรที่รุ่นได้ี่โกรธยด่ยวกันเนี่ยถ้าพูดกันบางทีชกกันกรนไรมันหิวน่หมามันหิวเกิดพิเดียวนีคนมันก็เกลียดอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้มันไม่ใครเข้ามาการทำอย่างนี้เรื่อยมาจนตลอดปัจจุบันนี้เห็นแค่นี้รู้สึกว่าสถาบันที่เราทำมาคั้งแรกเนี่ยมันเปลี่ยนไปมาก คนใหม่ก็เปลี่ยนมาคนเก่าก็เปลี่ยนมาได้เรื่อยการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไม่น่าเชื่อมันทําำยากถ้ามันทําอย่างยากใครก็ไม่อยากจะทําเลยจะไปทำกันมาง่ายๆทุกคนมันเป็นใจอย่างนั้นฉะนั้นขุทาบานที่ยตมายังมีชีวิตอยู่นี่แหละได้ความเจริญก้าวหน้าวัดถึงขนาดนี้เพราะการอบรมที่สุสามณีพร้อมใจกัน อยายามทมีความเจริญมากวันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งอาตมาจะได้จาริกไปเมืองนอกเป็นขั้งที่สองแล้วคาดไม่ถึงเหมือนกันตั้งแต่กรุงเทพเนี่ยอาตมาจะ น, นึกว่าจะไม่เห็นซะแล้วนะไม่นึกจะเห็นกรุงเทพกันเด้ว่ามันไกลกันสภาพที่เราอยู่อ่ะอยู่ในปาน่าในดงในน่องเปรี้ยพี่เนี่นนเยเราไปมองเห็นไม่รู้ว่ามันน้ำอะไรนาะ ไปยี่ยมเป็นอาจารย์บางท่านอยู่บนภูเขาน่ยเขาไปถวายท่านไม่รู้ว่านะอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> น่าจะพีก่ก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี่นี่มั น, นทั่วไปกระจิตกระใจเจ้าของจริงๆแบบนี้มันเป็นบารมีของพระทิ่สู่สมณีนของการประพฤปฏิบัตินี้ไม่หยุดหย่อนนะจึงเป็นเหตุที่จะหจายที่เป็นเมืองนอกสิ่งที่เราไม่คาดฝันเลย ผี่ตูวหาทางไหนก็ไม่คาดฝันเจ้าของเองก็ไม่คาดถึงนั้นแต่ทรุงเทพนี่อยากจะเห็นนี่เห็นกรุงเทพนี่ดีพอแล้วอันนี้ยังมีพิเศษไปไปได้วยความสบายนะปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งเป็นเหตุให้จาริไปทางนอกอีกแล้วก็ไอ้ถ้าที่สูจน์อันเนนทางไหนและญาติโยมทางไหนเนี่ยเราทิดว่าหลงพ่อเนี่ยไปไปตัวองคเดียวเช่นนั้นเนะี่ยเราไม่เลยจะไปอย่างนี้ แต่ความเป็นจริงอยากยกไปทางวัดนี่เนะี่ยจะกันไปเห็นทุกคนอยากยกไปทางวัดนี่เลยนะเพราะว่ายังไม่ถึงกาลถึงเวลามันมันก็ยกไปไม่ได้อันนี้ให้ยัดยั่งไว้เพื่อต่อเพราะว่าทําไม่เผื่อให้พวกเราทั้งหลายมีถ้าใครมีการประพฤติดีประพฤติชอบแต่มันเข้มแข็งในด้านพัญญาศาสนาพระสงฆ์องค์ในองค์จะต้องในไปแน่นอน ถึงเในเวลานี้อาตมาก็ยังไม่ให้ไปก็ตามคือแต่ต่อไปจะต้องเป็นเชื้ออะไรติดไปได้เกินนะด้แต่เป็นผู้ปฏิบัติจริงๆนะจะไปกันง่งายๆตั้งไว้การปฏิบัตินี้ก็ต้องได้ไปที่อาตมาไปนี่ก็เรียกว่าไม่เจิดไปเพื่อตัวเองนะไปเพื่อความสะดวก กศานุกิจทั้งหลายรุ่นหลังตามกันมาไปดูมันนอกก็เ็นไม่รู้อะไรได่ดูคนดูคนดูตรงไหมความเป็นจริงหลักคุณศาสนานั้นท่านไหนไปเห็นกันนอกหรอกให้เห็นจิตใจของเจ้าของเห็นความชั่วความผิดทั้งหลายนี่ไม่ดีในใจของเรานึ่งละปฏิบัติละออกถอนออกเรียกว่าเห็นธรรมะแต่เห็นเมืองนอกนี่ไม่ใช่มาเป็นทางกาจะรู้ธรรม ใช่อย่างนั้นแต่แว่ามันเพิ่มมันเพิ่มสติปัญญาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นหลายอย่างมีตํารามามสิ่งที่เรานึกไม่ออกก็เห็นในไปมีผ้ามีจานม์ในใจได้เป็นเพิ่มปัญญาให้เราให้เราเข้าใจให้เราเข้าใจคนในกลุ่มนี้ในกลุ่มนั้นขึ้ น, นได้หลายอย่าง ก็เลยเป็นเหตุให้เรามีธรรมะเน่นแเ่นดขึ้นมารกตัวอย่างขึ่นว่าบ้านเราเมืองไทยเราเนี่ยหัวหงงเหลืเกินทนะี่สะระเนี่ยเข้ามาแตะต้องไม่ได้ที่าลจัดไม่ได้โกย์เลยขี่ไปถึงเมือง น, นอกเดินข้ามไป เ, เดินจริงสูงก็ข้ามเลย ผู้ชายผู้หญิงเดินไปจับศีราวกันไปด้วยอ่าในเรานี่มันเป็นบ้าเลยมัย้งเอาไปยึดไปตรงไหนเมื่อก็เกิดกิดิยตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยกน้นขับหัวมันเหมือนกันอยู่เว้ยไปบายทางหัวก็เหมือนบายกน้นบายกน้นผ็เหมือนบายหัวเด่นเหลนมันไม่มีอะไรมันเท่ากันแต่ไหนแต่ความยึดทั้งหลายเหล่านี้จะกอบพี่คลายแหวกยินความจริงนี่ มันไปเห็นได้อย่างเป็นเหตุที่เราละให้ยึดมั่นผือมั่นสมัยก่อนเรายังไม่เห็นเห็นแต่มันช้าถ้าเราไเห็นขับเกณฑ์แล้วที่นี่มันกระรู้เรื่องกันขึ้นมาเป็นเหตุนั่นกันเลยก็ํามันเกิดเพราเพตุอันนี้มีกำไรหลายอย่างอันนี้ก็ประเหตอันหนึ่งดูจะสร้างวัฏวารามให้มันสง่าผ่าเผยไม่ใช่อาตมาองค์เดียว อาศัยดุจศิษย์ุจหาอาศัยบุญสัตว์บุญิรานพร้อมเหมือกันทั้งนั้นเหอืมนพระองค์เหลือพระเามาสามคนที่เจ้าเหมือนกันท่านมีท่านองค์เดียวท่านบอกขยายพระศาสนาไม่ได้กว้างขวางมีมีปัญจวัคคีห้าองค์เป็นวนเป็นพยานเนี่ยทิ้งพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรไปได้เนี่ย อันนี้ตเหมอนกันจะเนั่นอาศัยสินกันเดีกันอย่างนั้นเพเพื่อจะมาจะไปกลาวนี้นะพ้อนวอนลูกศิษฐ์ถูกพ้อนวอนพา ย, ยกถูกพ้อนวอนเขาถวายที่ดินแห่งหนึ่งที่ดินที่ดีที่สุดในกรุงดนดอนสองไร่ห้าสิบไร่ทวายให้เฉยเนี่ยชื่อมีโทรรับถ้าพูดเป็นเงินมัใชะพูดเป็นเงินเงืนหนาหนาแน้นที่นี้ เราก็น่าจะไปดูกับเ้าเขาบอกจะควนทําทยังไงจะทวนปลูกยังไงจะทวนทำได้อย่างไรถ้าห่วมาถึงเรวก็เป็นห่วงเหมือนตันถ้าพูดจากความคิงแล้วนยมันทีม่มีความเจริญเนี่ยในความเจริญเจริญทําไมเราเอาจะคล้องภาษาไปอยู่พอพูดกันอย่างสบายรู้เรื่องกันกพอมาพูดถึงอากขปิริยาเนี่ยมันก็ไม่น่าเนี่ยจิตมันเป็นอย่างอื่นพวก็วามเคลื่อนทบัต การเปลี่ยนใต้องไปเป็นมูเลรก็รจะบิดทำยังไงอะไรยังไงเพื่อประกาศศาสนาวันต่อไปวันต่อไปคงที่มีเชื่อ ว, วัดประโันเนี่ยติดกันหนักทีเดือดหลายแห่งเกิด้่ำพันกันไปดีดอี่าถ้าวัดประโภคไม่ได้ไปเมืองนอกใครจะได้ไปเนี่แต่ต้องผู้ปฏิบัติ ต้องรักษาที่ครูบาอาจารย์นํามาประพฤติในเข้ม แ, แข็งดูออืมนี่มันเป็นเหตุอย่างนั้ น, นค่อยๆปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ถูกว่าในรักผลของมันเมื่อวันเป็นลูกเป็นผลมาก็คือมันเกิดจากเหตุคือการปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นกันฉันนั้นแต่วาระนี้ยังมาไม่ถึงเราไม่ถึงฝ น, นบางองค์ อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเสียใจยนั่นก็ไปเรียกว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นมันมีอยู่ในการปฏิบัติตรงนั้นอะไม่อยู่นอกอย่างนั้นเมื่อความสงสัยอะไรต่างๆถ้าเราคิดไม่ได้แต่ปฏิบัติไม่หยุดมันก็เห็นขึ้นมาในการปฏิบัติไม่เห็นนอกไปการปฏิบัตินอกการปฏิบัติไม่มีอันนี้ให้มันม่นในใจของเราทุกๆ ท, ท่านอืมเนี่ยทุกๆ ท, ท่าน สร้างความดีเถอะใาห้พิจาราให้มันดีๆว่าในฤดานี้เรามีโอกาสแล้วไม่มีโอกาสมีโอกาสดีแล้วในมาบวชจากคารวาไม่ป้องแคลงหายิีมันร่ำรวยมีสงเคราะห์อุปรัทับประกาตราว่าสงควรแค่นั้นสควงหาโมกธ ร, รน่ำเพื่อพ้นทุกข์ ทางจิตเดานี่เป็นของที่สำคัญมากมเราไม่เข้าใจด่าเรามาเล่นสนุกสนานอะไรต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเรื่องของคารวะเรื่องเราคิดที่ต้องการจริงจินี้ก็คือเรื่องที่ว่าทํางจิตในคนทุกจิตมันหลงจิตมันหลงจิตมันมรู้เรื่องมันไปสร้างแต่ทุกข์ใส่ตัวของมัน แต่มันก็บ่นว่ามันเป็นทุกข์แบบไม่วางไม่ปล่อยแต่ก็นักก็นักเหนื่อยก็เหนื่อยทุกข์กทุกข์แต่ว่าว่างไม่ได้จะทิ้งมันก็เสียดายมันก็เลยเป็นทุกข์ที่นั่นแหละนี่คือความยึด่อสิ่งที่ไม่ควรยึดดูสภาพทั้งหยลยก็แล้วกันว่าในโลกนี้มันมีอะไรเป็นของของเราไหม ถ้าหากาเราพูดว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนั้นไม่ใช่องของเราแล้วฟังไม่ไปจะออกกันเนี่ยนี่ถ้าพูดตรงกับไปหาความจริงโดยไม่ค่อยจะรู้กันพนระพุทธองค์ขั้นบวชปฏิบัติตั้งอกตั้งใจหกปีอัตมาออกปฏิบัติตั้งใจเท่นาออ น, นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าออกมาปฏิบัติครบปีทันบรรลุธรรมะ ขี้เหรมากๆบันดาลนี่ทํามันชีวิตหนึ่งก็เอาทำมันชีวิตหนึ่งเพราะมันใ น, นพ้นทุกไปบ้างก็ย่างดีอย่างนี้จะไปโน้มหวังนี้มันมากมายจนเกินไปแต่การกระทําม่อยู่แตนเยนยนี่ยไปการปฏิบัติธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปนั่งรับตาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าขี้เรียันเข้ามาถึงว่าเรารับตา เดื่ตามันอย่งเยอะบางคนดืนตาขึ้นมาแล้วไม่มีสตินี่ท mm ี hmm. ่ใจไม่ได้ปฏิบัติไม่เด้ละไม่ได้เว้นไม่ได้พิจรารณานี่ได้เห็นความสุขมี่ได้เห็นความทุกข์นี่ได้เห็นความผิดมี่ได้เห็นความถูกคนไปแค่อย่างอื่นช่ไลองตัวทีวันนี้ใครนึกถึงคนตายแต่ไอย่างอืมลองตัวดูที่ตอกในใจแล้นะนะวันนี้ พวทีพวกเ น, น้นด้วเนี่ยนึกเพื่อคนตายหรือเปล่าวะ น, นี่ทำอะไรหรือยังนี่ทำอะไรหรอยังดูนี่มันมีกี่คนอ่ะนี่มันมีกี่คนน่ะเออมั น, นไม่เห็นแบบบางทีมันจะตกวงตกโบชั่ อ, อู้ตายตายตายน่ ะ, ทนนะนเท่านั้นเมื่อผ่านไปแล้วก็ชงเท่นั้นเอง บางทีขดดุจอผู้อุ้ตายน αι, านนเนี่ยเพราะนั่นแหละตัวนี้ไปแล้วมมันไม่ใครจะเห็นกานดีบตายกระจำจิตใจของเจ้าของนี้พระพระ ต, ตวว้งกันเนี่มองเห็นว่มามันนสตินี้คือความตายเพราะนั่นแหาเข้า ใ, ใจรในการปฏิบัตินี่ม่าชะนั่งดับตาจะยืนจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งจะนอนพูดอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะเชื่ออะไรนะไม่มีใครจะเอาไปจับไปพิจารณาดูนะ่ะอืม ไปมานั่งสมาธิเราก็ไปนั่งสมาธิร้อนจะตายแหละนะอืมันเป็นพิเดียเป็นมื่ดันเลยเราพูดกันเล่นคุยกันเล่นไม่เคยเหนื่อยไม่เคยอยากนอนเพราะที่ว่านั่งสมาธิระอันเออเกี่ยวกับปวดขี่ก็บปวดอะไรก็ปวดที่แล้วอืมอยากจะไปนั่งก่อนนั่งไปไอก็เออะไรมันเกี่ยวในคอในคางมันไปหมด มันเป็นขึ้นม า, านั่งพกุกนั่งสมาทีแตมันกลัวเหมืนเอาควายก็ไปไขายใส่คานตนะัด ก, ก็ไปเยี่ยวแตกก็ระพี่ออกนะนี่มันกลัวมันหวาดมันหวนัว่นเราตัองการนั่งสมาธิเนี่ยจะนั่งสมานะธาิตุกห้าวนอนว่าแต่แล้วห้าวานั่งไปพุกจัปตะโมกหนึนกหนันกหนันกหนันกอะไร นี่มันเป็นอะไรทำไมไม่ลืมตาขึ้นดูนี่มันคืออะไรถ้าเป็นมา ก, ก็ปลอยไปตามเรื่องมันอย่างงั้นเนี่ยมันจะได้เรื่องอะไรนี่เราฝึก ข, ขัดจำครูบาอาจารย์โอ๊ยกลัวจะท่านจะลุกหนีจากเราเท่านั้ น, นให้ท่านมานั่งกับเราบุญน้อยกลัวท่านกลัวท่านจะลุกหนีจากเราทาวกเราอีกกลัวท่านจะมานั่งอยู่กับเรานานๆเรานจะตาย ถ้าห น, นี้ไปสบายใจมนันกลับกันก็อย่างนั้นอืมหัดใจคนเราสู้ไม่ไหวนี่ถ้าครูบาอาจารย์นั่งด้วยเน่ยโอ้โหมันอยากนอนก็เอาดันก็เพราะท่านเป็นปัญาเ น, นี่อาจารย์ทิโนนอาจารย์ทนนเที่ยงอาจารย์นอนนี่นั่งตาโตตาโปนะอืทุกกระทมกลัวอะไรอยากจะนีอ่ะกลัวอะไรบุกไปแต่นั่นเนี่ จะคนไม่ไวไ้ช่วยเจ้าของไม่ได้อยากให้ครูอาจารย์นั่งอย่างนั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลับเมืเ่อพอาจารย์มานานไปเห็นอ้องนี่นอ้ออืมืมมสบายนี่ไม่ว่าจะพวกเรา่ะพวกรักษาโมโสดิชิ น, นี่เหมือนกันเพียงแต่ ม, มาอยู่ดึกดึซะหน่อยหนึ่งก็กลับมาอะไนอย่างไรพอสักสักหนึ่งเงียบกลับไปดูนอนกันวัดเออนี่มันเป็นคืนนี้ การปฏิบัติของเราเนี่ยมันต้องสู้อย่างนั้นนี่เนี่ยนั่งต่อครูบาอาจารย์นี่ยมันง่วงนอนกไม่ให้นีนี่อยากกลัวท่านนี้ท่านนี้ไปจะเสียใจในที่พึ่งเละต้องลุกเดิ น, นวนวายการพัดจางเอาบายเพ่จะให้มันพ้นอะไรไปอย่างนั้นมันต้องฝึกอย่างนั้นเราเอืมมันเพ่งจะรู้เรื่องของมัน อ, อืนั่งอยู่กับเพื่อนมันตลอดแบบ วันนึงเราจริงในใจเนี่ยไปนั่งคนเดียวดูดิมันจะได้ไหม น, นี่บัณฑพะเนี่ยไปนั่งคนตีคนเดียวเนี่ยเมื่อคืนนี้นั่งกับเพื่อนกันตลอดตว่างเลยนี่ประเด็นว่าเราได้เนี่ยมันดีไหมมันจริงไหมนี่ไปคาบอีกที่ไปนั่งในคืนตีคนเดียวดูดิเอาเอาอยู่แล้วงั้นก็นมันได้ฝึกได้หัดเท่านั้นแล้วนั่งนั่งอย่ข้างนอกนั่งดูดิอ่าอืฝึก ทำมันได้ก็ยังพึ่งว่ามันดีนะได้เข้าไปในง่วงผู้ที่นี่นั่งเนี่นเฝ้าหอนเนี่ยเอออันนี้มันตัวสําคัญเลยนี่นะไอ้ที่นอนตอนนี้มันมีพิษหนูน่ะเดินไปเฉยๆพอมองเห็นที่นอนเนมันอยากนอนเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเอออยากนอนทั้งนิดมันก็นอนมันเห็นเห็นที่นอนมันอยากนอนเลยนะมันมิดสัยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่แหละคือคนเราไม่รู้จักจิจนา ก็จะปลอยไปตามเรื่องมันปล่อยไปตามเรื่องไม่ไดุ้ทกขาดจิตของเจ้าของนั้นบวชก็ะทั่งแก่บวชกระทังตายก็ะทั่งสึกก็ไม่ไดุ้ทกขาดจิตที่ถูกต้องไม่รู้จักเรื่องของเราก็เรียกว่าไม่โดยปฏิบัติอืมโดยปฏิบัติข่าพระกันเทศในฟังไดไปถูกจุดนั้นเนี่ยก็ตรงไม่รับยอมไม่รับเนี่ยนี่ไม่ถูกเจ้าของอย่างนั้นอการประพฤติปฏิบัติที่มันก็ตรงเป็นอย่างนั้น อันนี้บางทีก็ขี้เกียจก็ไม่ทําขยันถึงทําอันนี้ทำกันไหเข้าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดูเี่นขี้เกียจไม่ทําขยันถึงทํานี่ได้มาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนี่แต่รู้วนะ่าคนนั้นต้องทําอย่างนั้นขยันถึงทําขี้เกียจไม่ทํานี่เรียนมาจากไหนกันอะไรเป็นครูเป็นอาจารย์อื เราอยู่คารวะเราก็ต้องทาอย่างนี้อยู่แล้วพระบว่ชปฏิบัติก็มาทำอย่างนี้แล้ ว, าา ว, ก, ลวก็ยางเก่าแต่ขี้เกียจไม่ทําขยันถึงทํเขาน้อยเขาน้อยเขาถ้าถึงเวลาถ้ามีต้องทําขีเ้เกียจก็จังมันขยันก็จังมัน น, นั่นีพระพุทธเจ้า ต, ตรนสอย่างนี้เมื่อถึงถเวลาก็จะต้องทําขีเ้เกียจก็ทําขยันก็ทําปัจจการมันต้องการดอยู่โหออกอัตต์ ที่รมัดหายอยู่กออกจากกันในมันได้พอเราเข้าใจอย่างนั้นการปฏิวัตินี่ต้องต่อสู้อยู่ทุกทีวิถีที่เรามีอยู่มีความรู้สึกเท่าไรเดินยืนนั่งนอนเท่านั้นเนี่ยไม่ป้องอะไรสมัยก่อนไปฟังธรรมท่านอาจารย์มั่นท่านบอกาเอออย่าฟังยามมันมากเทอธรรมะหน่ะไปฏิบัติไปเทอท่าฟังเทศละพระพุทธเจ้าดีกว่าเราก็ไม่รู้จัก พรพผู้ที่เจ้าเทีนฟังแต่คน้นดปกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไห น, นที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่พบแน่ก็เพราะเราไม่ปฏิบัติให้พระพุทธเจ้าเกิดนั่นก็ไม่เจอทั้ทีแล้วไม่เห็นนะอเมื่อเราปฏิบัติพิดนภาไปแล้วโอ้พระพุทธเจ้าก็คือตัวผูวร้รู้ที่เราล่องเลียกกันว่าพุโทโธพระพุโทโธนี่ไอ้มันรู้ขึ้นมา รู้ถึงจิตถึงใจรู้ถึงกิเลสตัณหารู้ระรู้เว้นดูประพฤติปฏิบัติมันรู้กันมาก็เลยฟังธรรมท่านเท่านั้นเนี่ยน่นเมืเห็นธรรมล้วก็เข้าไวเห็นประพฤติเจ้าเมื่อใกล้ธรรมะก็ใกล้ประพฤติเจ้าอท่านสอนในพระอานุนอนทำให้มันมากจะเดินให้มากใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมมันจะไปไหนมันต้องอยู่ในข้อประพฤติปฏิบัตินั้น ท่า น, นอย่าไปสงสยัยอย่าไปย่อย่อนพระเจ้าทานพระวัดทั้งหลายเมือ่ออาจะมาหรือผมจะรีกไปนอกบางงคก็สบายใจน ะ, ะสบายใจสวงปันพาเผ่าตายที่เขาว่าปรจักษ์มูลฟ้องปันหาเผ่าตายวิธีเป็นสัตย์ขององค์จักรนั่งร่างมูลี คนพุทธชนอยู่ในข้างพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับพุทธชนในเวลานี้พุทธชนในเวลานี้เหมือนพุทธชนในพระพุทธเจ้ายังอยู่มองดูไว้ที่ท่านบริญพานดีมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีพระเทระใหญ่กลุ่มหนึ่งมีพระส่วนน้อยเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานมีความคิดต่างกันพนนระที่สั่นบรรลุธรรมกันคิดสูงกันไปว่าเออพระพุทธเจ้าเราไปด้วยความสนุกแต่นะ ดีใจสรุปสังเวชหนาเลิในธรรมะนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่พ้นไปแล้วกลุ่มที่ยังเป็นเด็กยังไม่พ้นเนี่ยคิดว่าเออพระพุทธเจ้านี้จากเราแล้วใครจะเป็นร่มโคร่มไทรเราใครจะเป็นครูเราใครจะเป็นอาจารย์เราเนาะว่าไม่มีที่พึ่งซะแล้วแล่ก็ร้องไห้แต่นั้นแหละคนขีง้งงเป็นแบนี้นี่คิดต่างกันยัสิเออมันคิดต่างกัน อครันนี้ก็มันกันฉันนั้นอืมเระวังให้มันดีอันจะมาจากไปคราวนี้บางคนอยากจะบายใจนิ น, เนิเกน้อยอืถ้าจะมาอยู่ในวัดนี่ก็ทำอะไรมองๆต้องพ่ออยู่ไหมเนาะอะไรไหมเนาะอ ม, มองเนมืนไม่สบายใจถ้าอาจะมาเนี่ย อ, อกจากิตริงเงินเงินกย็จะสบายใจรู้เนาะนี่ยไม่มีใครมองนี่ ไม่มีใครเห็นนี่นี่นี่ตัวสำคัญธรรมนีมอยู่ในใจของเนนของพระของเม่ทีนั่นคือตัวสำคัญให้จำไว้มันจะมีละนี่นี่มันจะมีอานิทรงมอกข้อวัดอันนี้แก่สังฆาธิการทั้งหลายพระเนนสังฆาธิการคือ เจ้าอาวาสหรือไม่ใช่เจ้าอาวาสก็สมมุติว่าคุณเป็นประธานในาวาดนั้นให้เชื่อให้แนะนำํำทั้งสอนให้คารวบูชาผู้นําที่ก็เหมือนกันให้คารวผู้นำเชื่อฟังคาผู้นําอำให้คารวบสื่งกันการณ์ที่สภาพในวัดประโพงนี้ขอมอบาระธุระอันนี้ดีไห อายุพรรษาในมากก็มีท่านอาจารย์เบียงท่านอาจารย์ชูอันนี้เป็นที่มีอายุพรรษายิ่งกว่าเขาให้เป็นประธานสงฆ์วาดมันได้กับ อ, อาจารย์ทํานสุขอือาจารย์คําปุ่มีละพนคัพันให้ช่วยร่วมกันครูบาอาจารย์นี้จากต่แลกก้ก็ต้องดูแล นอกไปเป็นสักขาตือ่อาจารย์เที่ยงอาจารย์ น, นันท์เรื่องฤทกิ์ก็ ห, หันกลับมามองดูที่บ้านพ่อแม่ของเราที่เราเกิดในวัดหนองบัวโพนี้ถ้ามีอะไรมาแล้วก็ให้สติให้ความเป็นธรรมฟังเสียงให้พิจารณาดูแลช่วยกันดังนั้นในวัดหนองบระโพนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้เรียนท่านอาจารย์ชู ่อาจารย์เหลี่ยมนี่เป็นหลักอืต้องเรียนถามท่านนอกอำนาจแต่ท่านเป็นประธานในสงฆ์นอกแต่ไปก็เรียกว่าเป็นสงฆ์เอาสงฆ์นี้ใจจะผู้กิจประธานนทํามันก็ไม่ได้คิดมันก็ต้องช่วยกันในฐานะที่เกูบาอาจารย์เราไม่อยู่จะต้องรักษาไว้ให้มีความสามัคคีกันทุกทุกคนหนีห้เป็นหวงทุกข้อประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อี่ ตลอดผ้าเล็กเนน้อยกด็ดีจะให้กิจนานอย่างนั้นส่วนปกติของผมนั้นก็ให้อาจารย์อาจารย์เดี่ยมหรือมีระพลหรือใครจัดกันขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าใครจะรักษามีพระสังฆองหนึ่งไม่มีเนรสังฆองหนึ่งในราวนี่สุขุมก็่าจะไปเลยนี่ยไม่มีใครอยู่แต่คนที่สมควรผูท้ที่ขนาดพอสมควรกับแขกที่มาสู่วัดเราผูท้ที่สมควรที่จ ะ, ะรักกรุ๊ก สถานพี่ครูบาอาจารย์นักษาบริขารอะไรให้เยียบร้อยพู้ไ้ฉลาดนี่ก็ให้สงถึงในท่านอาจารย์ชูหรอาจารย์เลียบมีดพนหรืีใครกำพันธ์สงสุขใครร่วมกันจะให้ใครก็เอารักษาจะเป็นถดทอ ด, อ, ดอืมเดียการเนียนเด็ก็กไม่ไปดูเรื่องอะไรต้องบอกทุกทีฝึกทุกทีอืมอืมฉะนั้นไป การงานทุกสิ่งทุกอย่างก็มอบให้คนข้างหลังมอบให้ที่อยู่เพรทีเราก็เหมือนกันทุกๆคนไปแล้วก็เหมือนยังอยู่คือธรรมะในใจของเจ้าของอย่างนั้นทุกคนแต่นั้นพวกเราจะ ไ, ได้สบายเนะี่ยถ้าไม่มีความสมามัคคีกันแตกกันไม่สบายไม่มีที่อยู่ทุกคนมนาะอยู่ปะครูบาอาจารย์มาขอพึ่งรวมโพลรวมใส่ทั้งเมีทีทั้งพระทั้งเนนนะ่ะ ให้ดูดีๆต้องคิดเอาเองพิจารณาเอาเองให้มันมากที่สุดที่เรามาอจะมาที่จะไปนี่ก็ประมาณในเวลาสัก ส, สองเดือนจวนพรรษานัเ น, น, น, นี่ยจวนพรรษาเนี่ยวันอัสสราบูชาคือวันก่อนเข้าพรรษาวันหนึ่งเขาจะมาทอดผ้าป่ากันใหญ่หนกันจะมาให้มันการเคขาพวกท่านต้องไว้ี่อยู่ รักษาเสนาสนานี้ก็การตั้งอกตั้งใจที่จะไปส่งผมนั่นน่ะก็ไม่มีอะไรมากครับอกอผู้จะไปส่งเช่นว่าผู้ที่มีธุระจะไปทางโน้นจำเป็นหรือไปดูตรวจโรคหรือรักษาโรคหรืจะกลับไปบ้านอะไรทั้งายเหล่านี้เหละผมก็จะเอาไปด้วยถ้าผู้ที่ว่าเคยไปแล้วไม่มีความจําเป็นให้อยู่หรือวัด บางที่มาอยากจะไปรับกปถึงสายแดงกันชุดหนึ่งส่งไปหรือว่ามีชุดหนึ่งวเวลากลับมาอยากจะไปรับนั่นจะดงกันอย่างนั้นเช่น <c oughs> ส่วนมากก็อยากจะส่งกันกระสงจะเพียงว่ า, าวดัดรี้ขอรถมเมทาวสองคันให้ฟกีคันโฟกุระคั น, นจะรอยอยู่หน้าวัด เชงขาประมาณจะทุ่มที่เกิดจะถึงทุ่มใครจะออกไปก็เตรียมตัวมานี่ขึ้นรถมีเขาไปส่งสถ า, านีรถไฟรถบ่วนออกเวลาสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบอยังไงไรู้นี่ก็จะไปก็ตั้งอกต่าใจทำกันไปข้างนู้นทัคืนหนึ่งนู้นหนึ่งคืนหนึ่งวันที่ยี่ิบเ้าวันที่สามสิบวันที่ยี่ิบเก้าก็เอารถมารับไปจันในบ้านเขา นักงประมาก็เข้าอยู่ในถานบินแต่เพราะเงินเราจะไปมากก็สมัยสงวนจะไปมากากาไม่มีจาเป็นเอาแต่สิ่งที่จาเป็นไปที่พักมันไม่พออะไรมันก็ไม่พอมันน้อยอย่างนี้เป็นต้นกัดก้องให้เข้าใจอย่างนั้นแบ่งกันพอสมควรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนั่นก็ให้เข้าใจกันแล้วก็ ที่อยู่พอเวลาถึงสามทุ่มกว่าสามทุ่มสี่สิบให้กระดุกถึงเมียตาด้วยคืนนั่นจะต้องนอนมีบุญอากาศเมื่อคืนน่ย